อยู่ครบครบถ้วน10เดือนเนี่ยนะสิเดือนผ่านไปก็ประสูติจากพระคารของพระชนนีดุดพระยาหงทองบินออกจากจิตตกูฏบรรพศแปลว่าไม่ได้แปดเปื้อนด้วยมนทินคือน้ําครําเป็นต้นเลยนะน้ำครําหรือน้าครําน้ําครัมะนะนะว่าเป็นน้ําที่แบบระบบหมุนเวียนเ่ยนะดื่มเองกินเองถ่ายเองเวียนอยู่นั่นแหละ9เดนะือน10เดือนนี่ยนะน้ำที่โหพวกเราเนี่ประหยัดน่าดูเงนะตอนนั้น ในปาฏิหาริย์ทั้งหลายในคราวปฏิสนธิปาฏิหาริย์เนี่ยนะในคราวประสูตรก็มีนัยยะที่กล่าวมาแล้วในคำพีในเรื่องของพระโกนธั ญ, ญะโพธิสัตว์พระองค์มีปราสาทสา3หลังชื่อว่าสุทัศนรัตนคิและอาวิละสตรีจำนวน3 3 0หมื่นามพันนางข้างก่อนก็แปลผิดะนะอันนั้นก็แปลผิดนะเนียตัวเลขเกินไปหน่อย เพระโอษฐในสตรีส 3,000 นามพันนางมีพระนางสุทัศนาเทวีเป็นประธานก็ปรากฏพระเยวตาราชกุมารนั้นอันมูเรียกว่าอันเหล่ายุวนารีผู้กล้าหาญเวดล้อมแล้วก็ครองคาราศคราวาสวิสัยสเสวยสุขเรียกว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยนะของสมบัติของผู้ที่เป็นมนุษย์สสเสวยด้วยความสุขสบาย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 นะพระองค์ก็เห็นนิมิตสีแล้วพระองค์ก็ทรงเครื่องนุ่งห่มอย่างดีเบาๆมีสีสันต่างๆสวมกุนทนมณีมุกดาหารนะทรงทองพาหุรัตนะทองพาหุรัตเป็นยังไงนะเออทองพาหุรัตมงกุฎและ ก, กําไรพระกรอย่างดีนะใครเข้าใจก็เข้าใจเอากันแล้วกันก็มาไม่เข้าใจเราไอ้เครื่องประดับนี่มันเป็นยังไงนะรู้จักรับตะคต พระองค์ประดับด้วยของหอมและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างยิ่งเป็นกลุ่มที่ทำความงามอย่างยิ่งเหมือนดวงจันทร์ในฤดูศาสเนี่ยนะเรียกว่าแสงจันทร์ในฤดูศาสเนี่ยนะที่ปราศจากเมฆหมอกไร้มนทีเนี่ยแวดล้อมงดงามมากพระองค์นั้นอันจตันจตุรงคิี่นีเสนาทัพใหญ่เรียกว่ากองทัพที่ประกอบไปด้วยองค์สีอันหมู่เทพชั้นดา ว, วดึงไตรทศแวดล้อมแล้ว ประหนึ่งท้าวหาริตะมหาพรหมอันหมู่พรหมเวทล้อมแล้วเสด็จออกพิเนศกรมด้วยรถเทียมมา้าพระองค์ก็เปลื้องเครื่องสับ เ, เครื่องสันผาพรแล้วอาพรพร้อมสับทั้งหมดประทานเอาไว้ในมือของพนักงานคลังหลวงพระองค์ตัดพระเกศาธาตุและมงกุฎของพระองค์เระวัรวบแล้วก็ตัดนะนะด้วยมีดที่ลับคมกริบเชกเช่นกลีบดอกบัวคือระบบคมบางเหมั้นกัน น, นะ เหมือนกับอะไรเหมือนกับกลีบบัวที่ไร้มนทินและไม่วิกชนแปลว่า ง, งดงามแล้วพระองค์ก็โยนเกสาและมงกุฎขึ้นไปในอากาศเทา้าส ก, กเทวราชก็ทรงเอาพระอบทองรองรับพระเกสาและมงกุฎนั้นเอาไว้ไปยังพิภพดาวดึงทรงสร้างพระเจดีสำเร็จด้วยรัตนเจ็ประการไว้เหนือยอดขุนเขาสิเนรุนะเรียกว่าจุลามณีเจดีสถาน อ่ะนะที่เนื้อยอดเขาสิเนรุยอดเขาสิเนรุเนี่ยนะถ้าอยากเห็นก็ไม่ยากนั้นดูภูเขาทองไปก่อนก็อย่างนั้นแหละภูเขาสิเนรุเปรียบเหมือนภูเขาทองไว้ข้างบนก็มีเจดีเนี่ยก็ดูไปก่อนพก็จําลองคล้ายๆ ก, กัน น, นั่นแหละนั้นไหวภูเขาทองก็ละเ ล, ลิกถึงจุฬามณีเจดีสถานในสวรรค์ชั้นดาวเดืองก็ได้เนี่ยนะก็ะนึกเอาย้อนกลับมาฝ่ายพระมหาบุรุษเรวตะนั้น ทรงครองผ้ากาสายะที่เทวดาถวายแล้วพระองค์ก็ผนวดบุรุษโกดหนึ่งก็บวชตามเสด็จพระองค์โอ้คนบวชตามมากมายพระมหาบุรุษนั้นอันบุรุษเหล่านั้นแวดล้อมแล้วทรงบำเพ็ญเพียร น, นะบำเพ็ญเพียรประธานนะคือการภาคเพียรในการเจริญโพธิปักจะธรรมอยู่เดเดือนในวันวิสาขบุรมีสเสวยข้าวมะทุ ป, ปายาที่ทิดาเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่า สุทาเทวีสาธุเทวีเนี่ยนะไม่ใช่สุทานะสาธุตรงข้ามเลยนะนางสาธุคำว่า น, นางสาธุว่างั้นนางดี ว, งงว่างั้นเลยแปลภาษาไทยว่า น, นางดีถวายพระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันณสารวันตอนเย็นก็รับญ้า8ก ร, รมที่อาชีวกผู้หนึ่งถวายแล้วก็เสด็จเข้าไปที่ต้นนาคะกากทิงเนี่ยนะ อันประเสริฐที่น่าชื่นชมทรงกระทำประทักษิณโพพฤกคือต้นนาคะทรงลาดสันทั์เครื่องปูลดที่ทำด้วยหญ้ากว้างห้าสิบสองศอกแล้วก็ประทับนั่งที่ฐานความเพียรมีองศีคือจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไตท้าไม่บรรุเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอนั่งตายตรงนี้แหละมั้งหลังจากนั้นมานเนี่ยนะ พญ า, ามารก็ยกกองทัพมากองใหญ่เลยเพื่อจะย่งบาลังอนนั้นพระองค์ก็กำจัดด้วยด้วยอะไรด้วยทานาที่ทรมวิธินาด้วยบารมีมีทานเป็นต้นนะพระองค์ก็เจริญอาณาปานาสติปฐมมยามระลึกชาติได้มัชิมยามเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายปัจฉิมยามพิจารณาปฏิจจสมุบาทในที่สุดตรัสรู้อริยสัตว์ตามลำดับมรรคเป็นนะเป็นอริยมรรคจนถึงอรหัตมรรคเป็นที่ตั้งเหตุใกล้แห่ง สัพพัญยุตยานเนี่ยนะพอสัพพัญยุตยานเกิดขึ้นพระองค์ก็แปล่งพระอุทานว่าอเนกชาติสั่งสารังสันถาวิสังอเนพิสังกหาการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณัปปุนังกหาการกะทิทโทสิเป็นต้นนีที่ได้กล่าวไปแล้วต่อจากนะท่า น, พ, นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพุทธวงว่าต่อจากสมัยพระสมณะพุทธเจ้า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 พระองคใครครวนว่าจะแสดงธรรมให้แก่ใครก่อนนอะก็เห็นภิกษุโกรธหนึ่งที่บวชกับพระองค์นั่นและผู้ที่บวชติดตามเนี่ยนะพวกนี้จะได้ฟังเทศก่อนเทวดาและมนุษย์อื่นเป็นอันมากที่เป็นพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยนะพระองค์ก็เห็นนะภิกษุโกรธหนึ่งและเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์นะสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ไม่มีมนุษย์อื่นๆไปนั่งฟังเลยนะเว้นแต่พระปัญจวัคคีย์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 เนื้อหาก็กว้างใหญ่ไพศาลกว้างคว้างมีปริวัติสอาการ12อย่างซึ่งผู้อื่นประกาศไม่ได้นะ น, ะนะผู้อื่นประกาศไม่ได้ยังมากก็สวดตามได้อย่างเดียวแค่นั้นแหล ะ, นะพระองค์ก็ยังภิกษุโกรธหนึ่งให้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคผลสามเบื้องล่างกำหนดจำนวนไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสเล่า ว, ว่า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 ติกะปัฏฐานทุ ก, กะปัฏฐานอะไรเป็นต้นเนี่ยก็จะเอาขันห้าทาสิบแเหล่านี้แหละไปจําแนกตามอนนะติกะมาติกาทุกกะมาติกาตามวิพังค์ทั้ง18วิพัง์เป็นต้นก็มีการจําแนกแยกแยะโดยนัยยะต่างๆการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยเพื่อให้กําหนดรอบรู้ในรูปธรรมและอรูปธรรมโดยสภาวะลักษณะและสามััญลักษณะการที่จะรู้สภาวะลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยได้นั้นจะต้องรอบรู้เป็นอย่างมาก รู้สามั ญ, ญลักษณะในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นของขันท่าอันนี้เป็นการแสดงธรรมเพื่อกําหนดขันท่าเนี่ยนะอันหนึ่งพึงทราบการกําหนดขันท่าแม้โดยอนิจจานุปัสสนาโดยในเป็นต้นว่ารูปเปรียบเหมือนก้อนฟองน้ําเพราะไม่ทนต่อการย่ํำยีรูปเนี่ยมันก็จริงนะรูปของเราเนี่ยมันก็เหมือนก้อนฟองน้ําจริงๆแหละ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 อ่ะ น, นะก็เหมือนกับทีวีเนี่ยรื้อไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะ น, นะเหมีพระเอกนางเอก อ, อะไรซากอย่างอ่ะรื้อไปดูเทอาไม่มีอะไรโทรศัพท์คุยกันไปนเรื่องเป็นราวถ้าชิ้นเราถอดมาแล้วก็มีอะไรไ ม, ม่กี่ชิ้นมันก็อย่างนี้แหละเหมือนเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารจริงๆวิญญาณก็เปรียบเหมือนกับนักเล่นกลหลอกลวงเหมือนเป็นจริงเป็นจังเลยใจเอ้อใจในี่คิดอะไรบ้างนาะวันๆอ่ะนะอะไรจะหลอกลวงหลอกลอ่อเท่ากับใจไม่มีอีกแล้วนันเอง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 กรรมจัดกรรมมาพบรูปประพบและอรูปประพบสรุปว่ากรรมจัดขันห้าพร้อมทั้งสมุทัยเนี่ยนะกรรมจัดขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นแสดงธรรมเพื่อกาหนดขันธ์ธาตุอายตนะปัจจัยละความสำคัญว่าเจริญละความสาคัญว่าเสื่อมละ ส, สัตตทิฐิ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 อรูปภพทั้งอกกรรมภพและอุปฏิภพเนี่ยนะตัดไม่ให้มีส่วนเหลื อ, อ น, นะโดยที่ประกาศโพธิปัฏฐิธรรมเพื่อแทงตลอดอริยสัจธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นจากการแสดงธรรมของพระองค์นั้นจึงมีอภิสมัยการผู้ที่กำหนดรอบรู้กองทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคบัรลุอสดาปฏิมครคจนถึงอรหัตมรรคนั้นไม่มีการ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 น, นะตามสูตรต่างๆเหมาะแก่พระหาฤทยัยคือแสดงตามอัธยาศัยตามอุปนิสัยความสังสมทางใจของพระเจ้าอรินธรรมะในที่ประชุมนั้นเนี่ยนะได้มีเทวดาและมนุษย์ตรัสรูธ้ธ ร, รมประมาณพันโกดสมัยต่อมาพระเรวตะทรงอาศัยอุตรนิคมประทับอยู่นะประทับอยู่พระองค์ก็เข้านิโรธสมาบัติอยู่7วันได้ยินว่า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 พระอัครสาวกข้างขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยผู้สามารถประกาศ ธ, ธรรมจักรให้หมุนไปตามพระผู้มีพระภาคเจ้ายอดของพิสุผู้ประกาศพระธรรมจักรยอดของพิสุผู้มีปัญญาทั้งหลายพระวรุณะเกิดอาภาตในครั้งนั้นพระเรวตัตพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอันแสดงถึงไตรลักษณ์นะนะ ประกาศถึงความไม่จีรังยั่งยืนความเป็นทุกข์นนะความที่อำนาจของขันห้าไม่มีผู้ใดบังคับบัญชาได้แก่มหาชนนะนะตรัสอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาเพื่อแสดงภาวะตามเป็นจริงของขันทั้งหลาย น, นะเพื่อต้องการถามพิสุให้พูดถึงมหาชนที่เข้าไปหาเนี่ยนะไปถามไปเยี่ยมพระภิสุขให้คือพระเรวพระวรุณะเนี่ยนะ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 ครั้งนี้พระวินุระจะรอดหรือไม่รอดเนาะแต่จริงๆแล้วรอดนะบอกว่าปัตโตชีวิตะสังสายางเป็นความสงสัยในชีวิตนะถึงความสงสัยในชีวิตว่าพระเถระถึงความสินออมส้นชีวิตหรือยังไม่สิ้นชะีวิตเนรอดหรือไม่รอดเนาะที่บายว่าถึงความสงสัยในชีวิตว่าเพราะภาวะที่อาพาธรุนแรงพระเถระจะมรณภาพหรือไม่มรณภาพ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 ชมยาวมากนะถามว่าชมเท่าไหร่ชมยาวเท่าพระเวสสันดรชาดกชมยาวขนาดนั้นชมยงแล้วก็บูชาด้วยผ้าห่มมีราคานับพันแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระเรวตาก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ของเรานั้นว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในที่สุดสองอสงไขยกำไรแสนกับนับแต่วันพยากรณ์ดังที่พระองค์ตรัสว่า เรานั้นเป็นพราหมณ์ชื่อว่าอติเทวะเข้าไปเฝ้าพระเรวตัตพุทธเจ้าถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะเราสรรเสริญศีลสมาธิและปัญญาคุณอันสูงสุดของพระองค์ตามกําลังได้ถวายผ้าอุตตราสงฆ์แม้พระเรวตัตพุทธเจ้าผู้นําโลกพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่าผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในกลับที่นับปรัทิหาประมาณนี้ได้นับแต่กลับนี้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 เราจากนําความเป็นพระพุทธเจ้าที่เราปรารถนาอย่างยิ่งหรือปรารถนาหนักหนามาให้ได้ต้องการยิ่งนักกระอภิพี่ในเรายิ่งปฏิตังแลา ว, ว่าปรารถนาความต้องการเป็นความต้องการสุดๆจริงๆละกั้นที่เหลือก็เป็นการพยากรณ์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเรวตะมีเมืองชื่อว่าสุทันยาวดีพระชนกชื่อว่าพระเจ้าวิปุลราชพระชนนีพระนามว่าพระนางวิปุลาคู่พระอัครส า, าวกชื่อว่าพระวรุณะ และพระพรมเทวะพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระสัมภวะคู่อัครสาวิกาชื่อว่าพระพัฒนาและพระสุพัทนาโพพึกต้นโพที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่านาคะสรีระสูง82พระชนมาายุห 0,000 ืปีอัครมาเหสีของพระองค์ตอนที่ยังไม่บวชชื่อว่าพระนางสุทัศนานพระโอรสของพระองค์ชื่อว่าวรุณะพระองค์เสดพิเนศกรมด้วยรถเทียมมา ครั้งนั้นเปลวพระรศมีก็แล่นออกจากพวรากายของพระองค์ที่ยอดเยี่ยมแผ่ไปโยอหนึ่งเป็นนิษฐทั้งกลางคืนและกลางวันพระมหาวีระชินพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์สรรพสัตว์อธิษฐานว่าขอาธาตุทั้งหลายของเราทั้งหมดจงเฉลี่ยให้ทั่วทั่วกันให้ทั่วถึงกันก็กระจายพระาธาตุเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระเรวตาพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแลว้วเนี่ยนะเทวตานรปูชิโตเนี่ยนะสลังจากนั้นพระองค์ก็ดับขันทัปรินิพานณราจุทยานมหานาควันแห่งนครอันยิ่งใหญ่เลยพระพุทธเจ้าของเราปรินิพานทีส่สาละโนทยานเนี่ยนะก็คือที่ป่าสาระนั่นเองอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เรวตาปรินิพานที่มหานาคมหานาควัน เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากกล่าวทบทวนในตอนท้ายเพิ่มเล็กน้อยว่าในยุคนั้นมนุษย์มีอายุประมาณห0 0 0ืปีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระชนถึงเพียงนั้นก็ทรงยัง้งคือช่วยให้สัพโมชนเป็นอันมากข้ามโอขะสงสารพระเรวตะพุทธเจ้าทรงสแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าทรงประกาศอมตะธรรมในโลกหมดเชื้อก็ดับขันธปรินิพาน